ศนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นของพระองค์ใดนั้นมีแบบฉบับความจริงตายตัวอันเดียวกันเป็นธรรมชาติที่ละเอียดละเอียดอ่อนมากทีเดียวโดยเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นความเคยชินมาจากสิ่งที่หยาบโลนฝังใจอยู่แล้วจึงต้องฝืนกันทุกระยะของการปฏิบัติตามหลักธรรมไม่ฝืนก็ไม่เรียกว่าเราชำระสะสงสิ่งที่สกปรกมันเคยฝังจมอยู่ภายในใจ <c oughs> มาเป็นเวลานา น, านเพราะสิ่งที่เคยฝังจมอยู่นานๆ น, น, นั้นย่อมแก้ยากถอดถอนยากแต่พูดถึงการชำะล้างก็ชำะล้างยากเป็นหนึ่งว่าเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันกับใจมีการปฏิบัติ ตามหลักศาสนาธรรมจรึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชครับจะนำนิสัยของโลกมาใชา้มันก็เป็นโลกไปเสียเพราะนิสัยนั้นออกมาจากลาบงาเงาข้ามูลแห่งความสศกโศกคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในใจ อากัปปิยาการแสดงออกของจิตไม่ว่าจะเป็นแง่ใดเป็นไปตามวิสัยของนิเรสที่ฝังอยู่จมอยู่นั้นทั้งนั้นเราอย่าว่าแทบทั้งนั้นเลยว่าทั้งนั้นมีตามปกติของผู้ไม่รับการอบรมทางด้านศีลธรรมและไม่มีการแก้ไขดัดแปลงตนบ้างเลย ยอมมีแต่เรื่องของกิเลสอาศวะออกแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็ออกมาทางกาทางวาจาความประพฤติการปฏิบัติจึงต้องฝืนกันสิ่งใดไม่ฝืนในขั้นเริ่มแรกนีสิ่งใดไม่ฝืนสิ่งนั้นเป็นกิเลสทั้งหมดเว้นเสียแต่อิทธิ มีขั้นภูมิอันละเอียดมีความดูดดื่นเห็นโทษเห็นคุณภายใจิตใจเป็นลำดับลำนาขึ้นไปจนถึงขั้นเห็นโทษเต็มใจเห็นคุณเต็มใจแล้วอันนั้นไม่ได้ฝืนมีแต่การดูดดื่นทางความดีความเพียรทุกประโยคเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความดูดดื่น เป็นไปได้วยความเห็นโทษเห็นคุณอย่างแท้จริงสำหรับขั้นเริ่มแรกนี้ร้อยทั้งร้อยต้องได้ฝืนกันมีพวกเรานี่พวกร้อยทั้งร้อยจะไม่ฝืนอย่างไรการมาบวชก็คือแสดงเจตนาของตนอย่างเต็มที่ตนเองก็รู้คนอื่นก็รู้ว่าจะมาบาเพ็ญคุณงามความดี ในขณะเดียวกันก็เป็นการมาชำระาสะาสามสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอย่างน้อยก็ฝังอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วให้หมดไปโดยลำดับด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องในระมัดระวังตั้งสติคอยตรวจจังดูแลตนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นก็เป็นไปใะทางต่าง เพราะกระแสของจิตที่จะไหลลงทางต่ำนั้นเป็นของที่ง่ายที่สุดพอเปิดช่องก็ไหลไปเลยเช่นเดียวกับน้าไหลลงทางต่ำอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายต่ำนั้นมีความดึงดูดรุนแรงมากโดยเห็นนี้จึงต้องได้ฝืนกันอย่างรุนแรง ไม่ฝืนบัางเลยไม่มีทางที่จะเป็นคนดีได้เฉพาะอย่างยิ่งที่จะให้จิตไม่มีความสงบสุขเป็นที่น่าชื่นชมภายในตนเองนี้จะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่มีการฝืนกันเพราะกาลังของที่เหล็กมีมากดึงดูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าการสถานที่ียาบท แต่ตธรรมชาติที่ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองให้ปิดดึบติดแนบอยู่ในนั้นดีดตัวออกมาไม่ได้ทางที่จะดีดตัวออกมาได้บ้างเล็กเล็กน้อยๆอยนั้นต้องอาศัยการฝืนการประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมอันเป็นทางถูกต้องแล้วที่จะแก้สิ่งเหล่า น, นี้ออกไปได้โดยลาดับเมื่อเห็นเป็นทางที่ถูกก็ต้องอรุตสาพยายามทํา โลกเขามีงานประจำตัวของเขาทุกๆคนไม่มีใครจะนอนอยู่เฉยๆในโลกนี้เพราะท่าขันความจำเป็นมีความบกพร่องต้องการดีตลอดเวลาต้องเลยหามาเยียวยานอกจากนั้นก็ยังเป็นไปเพราะอำนาจของจิเรีเป็นเครื่องดึงดูดหรือฉุดลากไปอีกให้ทะเยอทะยานคุ้งเฟ้อเหวิมจน เลยความพอดิบพอดีกลายเป็นเรื่องโกยทุบเข้ามาเผาล่นตนเองขึ้นอีกมากมายตนเองโดยที่ตนเองก็ไม่ทราบว่านั้นคือความผิดจึงต้องทําลายตนเองนี่พูดถึงเรื่องการงานของโลกทุกยากลําบากก็ต้องถูถ่ายกันไปแม้ว่าคนมีคนตนคนโงค่คนฉลาดจําเป็นต้องทํางานจําเป็นต้องฝ่าฟืน จำเป็นต้องสมบุกสมบันในงานนั้นๆไม่เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเยียวยารักษาหรือความเป็นอยู่ให้สืบต่อกันไปได้ตามความต้องการนี่เพิ่งทราบว่าโลกมีงานอยู่อย่างนั้นนี่ทั้งด้านธรรมะคือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทรงธรรมเพราะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ทรงธรรมโดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยตรง แล้วงานของนักบวชคืงานของพระนี้เป็นงานประเภทใดก็ย่อมเป็นไปตามเพศของพระจึงก็เรียกว่างานอันหนึ่งเหมือนกันนี่เราในตั้งหน้าตั้งตา ม, มาแล้วพร้อมทางการประกาศให้โลกทราบตลอดทั่วถึงว่าเราเป็นนักบวชได้ปฏิญาณตนเพื่อความเป็นพระแล้วตั้งแต่บรนประชาวสวุฒิหมดทีแรกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัด น, นี้ตัวเราก็รู้ได้อย่างชัดเจน หนงานประจําเพศของเราประจําหน้าที่ของเราคืออะไรก็คือการชํสาระสะสมกิเลสประเภทต่างๆซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใ จ, จอันไม่ทําให้เกิดความสุขความสบายอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยแม้จะเกิดขึ้นบ้างก็เพื่อความทุกข์จะตามมาในขณะต่อไปนั่นเองหนงานของเราคื อ, คองาน ฝึกฝนทรมานจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยพิษภัยภายในจิตใจตัวพยศคือกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าจะมีมากมีน้อยเป็นตัวเสนีย์จันนเป็นตัวพิษตัวภัยต่อจิตใจทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสประเภทใด ป, ประเภทหนึ่งจะมาให้คุณแก่เราพอที่จะนอนตายตายใจแล้วเคลิมหลับไปตามเพลนเพลนกล่อมของมันนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เคลิ้มหลับไปตามเป็นกล่อมของกิเลสว่าเป็น เพลงที่ไพเราะเพราะพิ้งผลของมันจะทำให้รับความสุขความสบายไม่ปรากฏในกัมเรใดๆทั้งสิ้นนอกจากตำหนิติเตียนทุกประเภทของกิเลสซึ่มีอยู่ภารใจิตใจจงถอดถอนมันออกเสียให้หมดเท่านั้นเป็นที่พอประทยของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสราโลกด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอเหมือนงานของพระเป็นงานที่ละเอียดละออ เป็นงานตัวอย่างของตัวเองด้วยเป็นงานตัวอย่างของโลกให้ยึดไปประพฤติปฏิบัติดำเนินตามตามขั้นภูมิของเขาด้วยเราจึงไม่ควรจะพวกพลาดพวดพลาทําลายโดยไม่มีสติสตงังแบบโลกโลกอย่างนั้นใช้ไม่ได้การทําทจิงใดประกอบจิงใดต้องมีความระมัดระวังมีสติมีปัญญารอบตัวอยู่เสมอในงานนั่นน้นแต่พราะอย่างนี้งานจิตแพรภานาจะปราศจากสติไปไม่ได้นี่เป็นงานสําคัญมาก สติเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องติดแนบกับงานไปอยู่โดยสม่ำเสมอทุ ก, ก็ยอมรับทุกเพราะเราทำงานจะนอนอยู่เฉยๆให้กิเลสตัณหาสวัสด์มันตกพวดพลาดพรวดพลาดไปจา ก, กจิตใจกลายเป็นความรู้สึกมาอย่างนี้ไม่มีในรูปในนามในบุคคลคนใดในจิต ด, ดวงใดเราอยา่าคิดให้เสียเว ล, ลาอย่าละเมอเพอ้อฝันไปด้วยการวาดภาพต่างๆ อันเป็นเครื่องหลอกกลมจากขี้เด็ดอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความเพียรของตน้ะหนักเบามากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเทลงไปการประกอบความเพียรได้รับความทุกในการประกอบความเพียรทุกประโยชน์โดยความชอบธรรมนี้จะเป็นผลให้เกิดความสุขไม่มีอันใดที่จะทําให้ร่มโจมเสียหายไปเพราะความเพียรและความทุกนั้นๆเลยเราจึงไม่ควรเสียดาย ความสุขความสบายเพียงอยู่เฉยๆหรือปล่อยไปตามกิเลสมันไม่ใช่ทางมีนักปฏิบัติเราเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ยอมฝืนฝืนบ้างเล็กๆน้อยๆกับให้กิเลสมาวาดภาพหลอกไปเสียฉุดลาบไปเสียทำความเพียรเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงความจริงไม่ทราบว่าสติมันอยู่กี่นาทีกี่วินาทีภายในความเพียรนั้น มันมีตั้งแต่ร่างของผู้สําคัญตนว่าประกอบความเพียรเคลื่อนไหวไปมาอยู่เท่านั้นเช่นเดินจงกรมก็เคลื่อนไปเคลื่อนมานั่งสมาธิอยู่ก็ร่างกายไม่เคลื่อนเหมือนเดินไปเดินมาก็ไม่เคลื่อนเหมือนเดินจงกรมภาวนาแต่ก็เคลื่อนด้วยอยู่ด้วยความสบงบงอกงามนในอาการของกายแลวเคลื่อนด้วยความเป็นกิจที่ เรื่อนนลอยหาสติสตังตกครองรักษาไม่ได้แล้วมาเป็นเช่นนั้นผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผลไม่ได้เกิดขึ้นจากความสซสื่อซ่าซ่าความล่อยไปตามเผอใจอย่างนั้นแต่เกิดขึ้นด้วยความระมัดระวังการต่อสู้การพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆที่จะเป็นอัดเป็นรมเพื่อเป็นการกาจัดที่เดชไปโดยลําดับนั่งอยู่ก็ให้เป็นที่ภูมิใจด้วยความเพียรของตน เดินยืนนอนเว้นแต่ลับเท่านั้นให้เป็นที่ภูมิใจในความเพียรของตนว่าตนได้ทำงานโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสตินี่จักว่าเป็นความเพียรแม้จะยังแก้กิเลสตัวใดไม่ได้ก็าตามผู้มีสติอยู่ภายในตัวนั้นแลจะเป็นการสั่งสมกำลังของสมะทั้งสมาธิทั้งปัญญาให้เกิดขึ้นได้ถาไม่มีสติสีอย่างเดียวเดินจงกรมทั้งวัน ฝาเท้าแตกเขแตกไปจะฝ่าเท้าเช่นเดียวกับเขาเดนินโดนสะดุดนั่นแหละไม่งั้นเกิดประโยชน์อะไรเจ็บเปล่ามีความสติที่สัมพยุตไปด้วยความเพียรนั่นแหละจึงจะเป็นผลเป็นประโยช <c oughs> น์มีได้เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมอเพราะได้ดำเนินมาอย่างนั้นเราพูดทุกแง่ทุกมุมทอดออกมาจากตับจากปอดจริงๆมาสแสดงหมู่เพื่อนฟางเพื่อเป็นที่ลงใจเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยเพราะผู้สแสดงนี้ไม่สงสัย ความสงสัยที่เป็นมามากน้อยก็ได้เป็นมาแล้วได้ผ่านมาแล้วด้วยการพุทธปฏิบัติหายสงสัยก็หายสงสัยด้วยข้อบพุทธปฏิบัติความรู้ความเห็นความเข้าใจตามหลักธรรมนั้นๆแล้วหายสงสัยมาเป็นลำดำับๆจนเป็นที่แน่ใจและการาสอนลงไปก็ไม่มีที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดเราสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความแน่ใจทั้งนั้นเพื่อให้เป็นผู้ฟังทั้งหลายเป็นที่แน่ใจ มาทําไม่ใช่โมฆะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นบ้านร้างเป็นตลาดร้างไม่มีคนเป็นศาสนธรรมร้าง ไ, ไม่ม ει, ีทรรไม่ม i, ไ, มม fan, ไม่มีตัวจริงคือสมาธิไม่มีตัวจริงคือปัญญาไม่มีตัวจริงคือมรรคผลนิ่พานเป็นแต่เพียงศาสนธรรมอันร้างร้างเปล่าเหลอกโลกกันอยู่อย่างนั้นไม่ปรากฏในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยมรรคผลนิ่พานอืเต็มไปด้วยสมาธิ เ ต, <igi> ต็มไปด้วยศีลเต็มไปด้วยปัญญาทุกขั้นเต็มไปด้วยวิมุตติพ้นสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลกักแห่งสวขาดิธรรมแล้วผลจะพึงได้รับเป็นขั้นๆคภูมิไปอย่างนั้นไม่สงสัยไม่ว่าครั้งใดสมัยใดเพราะศาสนธรรมเป็นธรรมที่คงเส้นคงปาอยู่ด้วยความชอบึงเรียกว่าสวัสดธรรมศาตร์ไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประหนึ่งว่าพระองค์มาประทานพระอว่าด้วยพระโอษของพระองค์เองอยู่ต่อหน้าเรานี้ ย่าทําอย่างนั้นก็เหมือนอย่างพระองค์เปร่งพระวาจ a j ออกมาอีกให้ทําอย่างนั้นก็เหมือนพระองค์รับสั่งออกมาด้วยพระโอษของพระองค์เองสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างนี้ถึงแม่ที่ท่านรับสั่งกับพระอนุนว่าทําพระทำแล้วทําวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราได้ผ่านไปแล้วจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเรา ในการที่เราร่วมไปแล้วรู้ถึงว่าซึ้งจริงจริงชาติน า, าคือนี้แนวทางที่สอนเรนี้สดสดร้อนรอนไม่มีว่าเมื่อวานไม่มีคําว่ามดพรุ่งนี้มาเป็นความจริงอยู่ในปัจจุบันนำมาคือปฏิบัติกรรมจากพิเรยได้ในหลักปัจจุบันปัจจุบับนนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราควรเน้นหนักในความเปลี่ยนให้มากอยู่กันหมู่มากมันวนเรนะ่ะ ผมผู้ปกครองรู้สึกว่าหนักพอมองไปแงใดมุมใดมันสะดุกสะดุดไม่ได้ประมาทหมู่เพื่อนไม่ได้ยกตนว่าสูงกว่าหมู่เพื่อนหรืออวดตนมั่นฉลาดยิ่งกว่าหมู่เพื่อนสิ่งที่ขัดต้องบอกว่าขัดในฐานะว่าเราเป็นอาจารย์ที่จะแนะนำต้องสอนหมู่เพื่อนให้ถูกต้องดีงามทุกแี่ยทุกหมุมจนหาที่ต้องติไม่ได้เรามีความมุ่งหวังอย่างนั้นจึงต้องพยายามมองเห็นภาพเรื่องสติมันก็ต้องวิ่งตามปัญญา ส่ยซองไปตามการสัมผัสสัมพันธ์ในหมู่คณะไม่ว่าจะมองเห็นไม่ว่าจะได้ยินอันนี้ปิดไม่อยู่เรื่องสติเรื่องความคิดพินิพิจารณาในแง่ต่างๆเกี่ยวกับหมู่เพื่อนเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้จะบำรุงส่งเสริมหมู่เพื่อนให้เป็นทางที่ถูกที่ดีจนกระทั่งถึงหาที่ต้องสีไม่ได้ให้หลุดพ้นจากที่เดบอาระทั้งปวงด้วยความเฉลียวฉลาดแหลมคมของตนนี่เป็นความมุ่งหวังอย่างเดินกล้าภายในจิตใจ ยิงไม่เคยหล่อแหละไม่ว่าจะแนะนําสั่งสอนได้แง่ใดบูมในต่อหมู่คณะไม่เคยหล่อเลยเอาจริงเอาจริงพราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจริงๆสิ่งใดเป็นภัยต้องบอกทันทีสิ่งใดเป็นคุณก็บอกจ้ำจ้จขี้ๆี้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะให้ถูกให้แม่นยําเข้าไปโดยลําน่ำดับอะไรจะเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแม่นยําที่สุดยิ่งกว่ า, าศาสนธรรม ในการดำเนินตามเพื่อความราบรื่นดีงามแก่เราจะเป็นขั้นใดปุ่มใดปุ่มใดไม่นอกเหนือไปจากหลักธรรมนี้เลยซึ่งมีหลายขั้นหลายปุ่มผี่ผุูมปฏิบัติจะพึงนำไปปฏิบัติและได้รับตามปัิกํกำลังความสามารถของตนแต่เป็นสินค้าก็เรียกว่าห้างห้างใหญ่ร้านใหญ่มีทุกประเภทที่จะเลือกได้จากห้างร้านนั้นๆไม่ว่าทาขั้นใด ความสุขขัน้นใดที่จะได้จากการปฏิบัติของต้นมีสมบูรณ์อยู่ภายในสาสนาธรรมของพระเจ้ามีทั้งนั้นจึง <c oughs> ควรรีบเร่งขวนขวายปฏิบัติในเวลาที่ดีอยู่กับหมู่กับคณะอยู่กับครูอาจารย์ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนอยู่เวลานี้เรื่องโลกเป็นของอนิจจ์ธาตุขันธ์ของเราเป็นของอนิจจ์ไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่นหนามั่นคงอะไรการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงได้ ตามหลักธรรมชาติของมันไม่มีใครบังคับบัญชามันได้เปลี่ยนแปลงในทางเป็นเปลี่ยนแปลงในตายเป็นไปได้ทั้งนั้นอืในการพับผ่าจากกันไปหรือว่าจะจากเป็นจากตายมันจากกันได้ทั้งนั้นจึงไม่ควรนอนใจเวลามาอยู่กับครู อ, คาคาอาจารย์ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทกุก็ยอมรับว่าทุกสิเราเกิดมาในท่ำกลางแห่งทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาให้แบกให้หามีตลอดเวลาทาไมไม่เบื่อหน่ายอิ่พอนั่นคือกองทุกข์แท้ ความทุกข์เพื่อความด้วยความภาคเทียนที่จะเอาบร ม, มสุขมาครองหัวใจนี้ทําไมจึงจะเห็นว่าเป็นทุกนี้เป็นภัยยิ่งกว่าทุกทั้งหลายที่กิเลสิดขึ้นมาตั้งกับตั้งกันงานเท่าเท่าไตั้งแต่อัตภาพนี้มีกี่ปี ก, ก, ก, ออกี่เดือนในชีวิตของเราแบกทั้งแต่ทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสผิดขึ้นมาทั้งนั้นทําไมไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอไม่ชิงชากันสักบ้างื อ, อแล้วบ่นกันทําไมทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อยู่นั่นจะว่าไห มันไม่มีคําว่ากล่าวว่าใหม่ทุกถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไรต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นจริงที่ไม่พึงปรารถนาเลยกระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจก็คือทุกข์นั่นแหละนี่เราเคยผ่านมาแล้วเราเกิดมาทำกลางแห่งความทุกข์เพราะเป็นผลของกิเลสนี้เราจะประกอบความภาคเพียรเป็นธรรมดาที่จะต้องได้รับความทุกข์แต่ทุกข์เพื่อความสุขจะเป็นอะไรไปเราต้องมาเทียบเคียงกัน ทุกอันนี้มีคุณค่าทุกอันนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยทุกจมไปเฉยทุกอันนี้ทุกมีคุณค่าการประกอบความเพียรเป็นความทุกแต่จะได้ความสุขขึ้นมาในันดับต่อไปโดยลาดับเนี่ยควรจะมีแก่ใจอาจถามรื่นเดินต่อความภาเพียรอย่าปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ําทําลายทั้งทั้งทังทงทง้ที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานียอาบท่างๆส่วนมากมีแต่กิเลสเหยียบย่ําทำลายอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวไม่รู้ เพราะกิเลสมันแหลมขมมากในตัวของเราในใจของเราทั้งดวงมีแต่กิเลสที่ล้อมล้อมปิดบังไว้หมดมองฮัทํานิดหนึ่งก็ไม่เจอถ้ามีสมาธิทำบ้างก็เจอความสงบมองเห็นบ้างปัญญาขั้นต่างๆเริ่มมองเห็นไปดูลาดับนี่ระทั่งถึงขั้นดิมุตดบดุตรพนแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมันก็เหนือมันแล้ว ไม่เหนือมันทำรามันไม่ได้มันไม่ได้หายเศราประจากใจแหละท้าไม่เหนือมันเพราะเราต้องทำให้เหนืออยู่เสมอต้องต่อสู้ธรรมาที่ก็ ม, มันมีความสงบฝึกหัดเอาจนสงบมันทำไมสงบไม่ได้ที่มันสงบไม่ได้กเพราะขี้เล็ดมีกำลังมาก่าสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรเรามีกำลังมากพอที่จะทำจิตให้สงบไปแล้วต้องสงบ จิ่เป็นของฝึกได้จิตเป็นของแย่งจากสิ่งที่ชั่วทกิเดชนั้นได้ากายเป็นจิตที่ดีขึ้นมาความสงบสุขภายในจิตใจด้วยสมาธินั่นเป็นพื้นฐานแห่งความร่มเย็นของพระในขั้นเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติจากนั้นก็ความสงบเข้าไปเป็นลำดับ เมื่อควรจากการที่เกิดพิจิตรพิจารณาแล้วก็พิจารณานะยกเอาธาตุเอาขันนั่นเป็นตัวอนิจจังทุกขังตตาแบกมันอยู่เฉยๆนี่แอย่าไปแบกเฉยๆโดยไม่ได้รับประโยชน์แบกอนิจนาานจังทุกขังนัตตาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังตตาให้เกิดประโยชน์โดยทางปัญญาของเราาจะไปคว้าโน้นคว้านี้ความรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่มันอยู่ที่ไหนกิเลสมันไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแหละแต่มันอยู่ที่หัวใจผล หัวใจพระนี่ยนะทุกข์กับทุกข์กุญธีนี่เดือดร้อนวุ่นวายต่างๆและสัมภัสาก็เกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นเจ้าเรื่องจิตเป็นผู้ก่อเหตุหลงภาพแห่งความคิดปรุงของจิตที่หลอกเอาไปเพราะอาํานาจของกิเลสผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงเป็นภาพต่างๆขึ้นมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูด้วยภาพหลอกหลอนตนเองทั้งนั้นภาพเราหลอนนี่มาจากที่เละเพราะตติปัญญาไม่ทันมันมันก็หลอกไดาเป็นความจรงิงความจังเหมือนเป็นตัวจริงยินี่ เรื่องใดก็ตามเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอดีตนะครับ ด, ดีชั่วประการต่างๆมันจะเป็นภาพขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราขึ้นมาให้เครือเครื่องลงหลงไหลไปตามมันทั้งฝ่ายเพลิดเพลินทั้งฝ่ายเศร้าโศกมันเป็นความเหมือนกับว่าเป็นตัวจริงขึ้นมานะเรายังไม่เห็นโทษของมันเลยเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาพิสูจน์มันให้เห็นจึงต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณา เราเสียดายอะไรเรื่องความคิดความปรุงเหล่านี้มันเป็นมาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั้งนอนประจําอยู่ตลอดขณะนี้ตั้งแต่วันเกิดมาได้ผลประโยชน์อะไรบ้างความคิดเลื่อนลอยตามอำนาจของจิเลห์นี่เราจะคิดจะปรุงเรื่องอับเรื่องทําให้มีพานในจิตใจของเราให้เป็นเหตุเป็นผลเพื่อลบล้างความคิดปรุงอันจอมปลอมทั้งหลายออกมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงดูความจริงของมันอย่างชัดเจนปล่อยวางกันได้หายสงสัยทําไมเราจะ ไม่พยะจายาสิ่งที่มันแก้กันมีอยู่นี่หาแต่เรื่องผูกมัดมาใส่ตัวเองนันก็ได้แต่เรื่องผูกมัดหาความสงบสบายไม่ได้ทรงตั้งแต่ผ้าเหลืองที่เฉยทรงมากทรงผลไม่ได้ทรงทำยังไงผู้ปฏิบัติมาทํางานไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรจากงานเลยเลยกลายเป็นงานเหลวไหลเหลวแหลกไปเสียงานสมาธิ ก็เหลวแหละเดินจงกรมก็เหลวไหลหนังน่งภาวนาก็เหลวไหลทําอะไรขึ้นชื่อว่าเป็นอัตเป็นธรรมไม่ได้ขี้ดเด็ดมาเหยียบย่าทำลายเตะถีบแหลกไปหมดล้มเวลาไปหมดตั้งตัวไม่ได้นี่เป็นของดีแล้วหรือเราไว้ใจเราได้ไดมายอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจอีกต่อไปเหรือเราต้องคีดท บ, ท, บทวนย้อนหน้าย้อนหลังสินักพิจารณาไม่งั้นไม่หาฮัท ไ, ไม่งั้นหาทางแก้ตัวให้รอดพ้นกันไม่ได้ จะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายหลอกหลอนนี้ตลอดเวลาสติปัญญาไม่พระพุทธเจ้าแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ได้ความเพียรเราถ้ามีความเพียรเพียรพินิจพิจารณาเพียรบังคับจิตใจที่มันดื้อด้านา น, นาี่อ้ามันจะมอกเนี่ยจิตใจเป็นของฝึนได้ฝึกไม่ได้ทําสอนไวท้ทำไมพระพุทธเจ้า<ม>รักษาลักษณะท่านฝึนได้มาเท่าไหร่แล้วจนกายเป็นสร้างนางข้าฉามีพวกเราเราจะฝึกใจของเราดวงเดียวเท่านี้ทำไมจะฝึกไม่ได้วะ มันขาตกบกพร่องอะไรเสริมขึ้นมาผิดขึ้นมาบำรุงขึ้นมามันมีกําลังได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละความขี้เกียจที้ค้านเป็นกิเลสให้ทราบเสียเออความอ่อนแอท้อแท้เป็นกิเลสทั้งนั้นให้ทราบเสียผู้ปฏิบัติจึงต้องแก้สิ่งเหล่านี้ความอ่อนแอมันเป็นกิเลสจะแก้วิธีไหนเข้มแข็งฝืนกันสู้กันเนะี่ยความอ่อนแอท้อแท้ความเกียจคร้านตั้งเป็นความขยันความเข้มแข็งขึ้นมา ความโงเง่าเตาตูนตั้งสติขึ้นมาให้ดีพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาแก้กันในตรงนี้ตรงนี้สิ่งที่แก้มีอยู่นอนกอดนอนจมอยูเฉยทำามเราจะหวังเอาประโยชน์อะไรถ้าไม่ดาเนินตามหลักธรรมที่จะเป็นธรรมที่จะแก้สิ่งที่เลวร้ายทันงหายกจิตใจทุนเราเราจะหาความสุขจากอะไรดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟ สถานที่ต่างๆดินซ้าอากาศเป็นสิ่งเหล่านั้นแต่และอย่างละอย่างตามธรรมชาติของเขาจะเอามาเป็นเราเป็นของเราเป็นความสุขความสบายเป็นมรรคผลนิพพานได้ที่ไหนไม่มีที่จะเป็นไปได้นอกจากที่จะผิดขึ้นภณยใจิตใจระหว่างกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมที่จะต่อสู้กันอยู่เวลานี้เพื่อเอาชัยชนะขึ้นมาภณยในกกจิตใจของเรานี้ไม่มีทางอื่นเอาตรงนี้นะปฏิบัติอย่าถอยตรงนี้เป็นชัยชนะเป็นสถานที่จะให้ชัยชนะแก่เรา ความขยันนั่นแหละที่จะได้ผลมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นที่พอใจความขี้เกียจที้ค้านความหมดแรงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นการต่างสมกิเลสเดินไปตามมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเพิ่มบุญกิเลสขึ้นมาจนจะยกไม่ขึ้นะต้านไม่ออกนี่เป็นของที้ะเหลือเอามันคล่องตัวเลยเราเกิดมาทําตายความโง่ด้วยกันนั่นแหละไม่มีใครที่จะเป็นมหาบัณฑิตนักปรบับจอม ฉเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่วันเกิดนั้นเกิดมาด้วยความโง่ด้วยกันนั่นแหละพระาะคิดเด็ดทาผลให้โง่แม้คิดเด็ดจะฉลาดเฉลียวฉลาดเพียงใดก็ตามมันยิ่งฉลาดในการทําผลให้โง่เราก็สราเพราะฉะนั้นเราจเกิดมาท่ามกลางแห่งความโง่ทีนี้นจะนาําทรมเข้าไปซักฟอกไปแก้ไขทําลายสิ่งเหล่านี้ยิงต้องปฏิบัติด้วยธรรมทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ตาเขาตายไปเถอะตายด้วยความภาคเพียร น, นี่ไม่เสียไม่ขาดทุนศูนดอกต้องยอมรับ ให้เห็นที่ที่พุทธเจ้า ว, ว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเรอเาอ่านตั้งแต่นในหนังสือเหมือนนอกขุนทองไม่เห็นความหมายอะไรนั้นนไม่เห็นความจริงในคําว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงจริงอย่างไรถ้าเราได้ค้นโดยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่ทุกขังอริยสัจจังจะหาที่ค้านไม่ได้กราบเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเราตรงหน้านั้นเลยน <c oughs> ั่นเลยละหรือเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลย กินอย่างนี้เหรอเห็นทุกทุกกินอย่างนี้หรือนั่นเหตุที่จะได้เห็นทุกกินอย่างนี้ก็เพราะปัญญาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงความตามปกติของจิตนี้มันจะเหมาอาหมดร่างกายทั้งร่างมาเป็นเรานี่คือกิเลสพาให้เหมากิเลสพาหลอกเข้าใจไหมไม่ใช่ของจริงกิเลสเป็นของปลอมมันหลอกเราก็ปลอมไปตามมเว่าร่างกายทุกส่วนเป็นเป็นเราเป็นของเรา เวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายเฉยๆจึงเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทั้งกายวาเวทนาจิตเวทนาสัญญาตังขานวิญญาณคิดได้หมายรูปปรุงแต่ต่างๆรับทราบท่าเห็นอะไเป็นเราเป็นของเราไปหมดที่เด็ดพากว่านเอามาให้แบกให้หามให้ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนไม่ยอมเห็นโทษเพราะปัญญาไม่มีพอที่จะสอนสองเห็นความจริงด้วยเหตุ น, นี้จึงทุกขังอนเีิจจังจึงเป็นโมฆะสาหรับเราที่เยียนแบบนกขุนทองเอาปฏิบัติให้จริงจังลงไปที่ําพูดที่ว่า ทุกขังเดียร์ญญจังจะเป็นโมคฆะได้ที่ไหนอยู่ที่โมโนใจของเหล่าเนี่เป็นความจริงขอให้ปัญญาอย่างถึงเถิดจะไม่ไปไหนเลยคว า, ามจริงเราจะฟ้าขึ้นมาจากการพิจารณนี้จนได้แหละอมชมุทัยอเดียรสัจจังก็เหมือนกันเมื่อมันต่างอันต่างจริงเรายังไม่พูดถึงเรื่งสมุทัยอเดียรสัจจังแล้วเอาให้มันทุกขังเดียร์สัจจังนี่ในขั้นของการนี้ะ ก, ก่อนแล้วจะไปเห็นความจริงของกิตว่าเป็นสัจจะเหมือนกันมันเกิดที่ตรงไหนความทุก ทุกที่ตรงไหนมันจะต้องหมายตรงจุดได้จุดหนึ่งจนได้ว่าตรงนี้เป็นทุกเพราะมันมีเนี่ยหนักเบาต่างกันในบรรดาทุกที่เกิดในร่างกายของเหล่านี้มันทุกที่ตรงไหนให้จับจุดนั้นให้ดีพิจารณาแยกแยกดูทุกมันเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นนามธรรมเป็นศัพทวรู้ว่าทุกกายมันเป็นวัตถุกายเป็นมีรูปลักษณะมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรพิจารณาแยกดูกายให้เห็นชัด ว่ากายนี้เป็นทุกข์ยิงเหนอดูให้มันดีถ้ากายนี้เป็นทุกข์คนตายแล้วไปเผาไฟมันว่าไงมันไม่เห็นบุญเพราะว่าละเมือต่างๆว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นไปไหนถาวากายเป็นทุกข์แล้วเผาไฟมันต้องดินด้นเลยคนตายแล้วเห็นดิน้นกายทั้งๆที่กายมีอยู่เ น, ยเนื้อหนังเอ็นกระดูกแต่และชิ้นอันโยนเข้ากองไฟมันว่าไงมันมเห็นว่าอะไรแล้วทุกข์นี่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้น คนตาเรไปเผาไฟไมัเห็นว่าเป็นทุกข์นี่นะนาแล้วก็ออกจากนั้นย้อนมาดูทุกข์ทุกข์มันก็ศักแต่ว่าทุกข์มันไมนมีรูปมีลักษณะมีทีสันมันนะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นความจริงของมันอยู่เท่านั้นทุกข์ตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของนเองด้วยมันทราบความหมายของเราผู้ที่ไปหมายมันว่าเป็นทุกข์ด้วยอกายก็เหมือนกัน แม้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยตายก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์แล้วไม่ทราบว่าเบียตนามาให้ทุกข์แก่ตนด้วยเรายกเอาเพียงไ เ, เรื่องทุกขเบียนาขึ้นมาอันเดียวทอนนี้ก็กระจายหมดไม่ว่าสุขไม่ว่าอุเบกขาหลเพราะเป็นนามธรรมด้วยกันแยกแยะตรงไหนจ่อลงตรงนั้นสติจ้อ ต, ญญตรงนั้นปัญญาแยกแยกกันตรงนั้นไม่ยอมให้หนีไปไหนทุกข์ก็ทุกข์ตาก็จะตายอยู่จุดจุดนี้จุดของจริงนี้คืออริยสัจจานี้ ไม่ต้องไม่ต้องอยากอยากให้หายก็ไม่ต้องอยากความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแล้วอยากไม่ทํางานแต่อยากล่ำอยากรวยมันเกิดประโยชน์ ER <c oughs> อะไรพิจนาเราต้องการไปให้เห็นความจริงนี้เท่านานวัน <c oughs> ความจริงจะมีมากน้อยอย่งอ้างแสดงขึ้นมาให้เห็นฟาดจะลงไปด้วยสติปัญญาหมุนติ้วลงไปทุกข์มากเวละาต า, าก็ตายตรงนี้จะตายด้วยสติตายด้วยปัญญาไม่ได้ตายด้วยความโง่ไม่ได้ตายด้วยความอ่อนแอไม่ได้ตายด้วยความอยากให้ทุกดาบแต่จะตายลงไปด้วยความจริง ทุตท้ายมันก็รู้ขึ้นมาอ๋อทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้เหรอนั่นเต็มหัวใจแล้วกายก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาก็เป็นของจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นต่างอันต่างจริงแม้ทุกที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นจิตจริงจิตมันก็ไม่มีในจิตจิตก็เป็นจิตถ้าอาจิตเป็นทุกทุกดับไปทำไมจิตก็ดับไปด้วยนั่นทุกเป็นจิตถ้าเอาทุกเป็นจิตจิตเป็นทุกทุกดับไปจิตต้องดับไปด้วยนี่จิตไม่ดับ ทุกอันนี้เพิ่งเกิดมาแล้วเพิ่งดับไปนี้จิตมีอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไหรมันจะเดียวกันน่าอย่างไรนี่แยกด้วยสติแยกด้วยปัญญาแยกจนเห็นชัดเจนแล้วทุกครั้งระยะสั้นไม่ต้องพูดเด่นทีเดียว อ, อาอ้าวทีนี้มันจะตายในขณะนั้นก็ตายเถอะถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วจะไม่มีการเขาต้องเผชิญถึงจิตใจเลยแต่มันไม่ตายเรื่องกลัวตายก็เรื่องมันหลอกตัางหากนี่ เพียงเท่านี้เราก็ทราบเรื่องอริยสัตว์นะไม่เอี่ยมอยู่ในจิตของเหล่านี้ไม่ได้มีคําว่ากี่ร้อยกี่พันปีที่พระพุทธเจ้าปฏิพาน์ไปแล้วอืถ้าเป็นวัตถุต่างๆมันก็สิ้นการสิ้นสมัยไปแล้วแหละอืมเป็นผุยเป็นผงไปหมดแต่ธรรมของจริงนี้ลบไม่ศูญเมื่อเป็นฉะนั้นจะว่าเก่าว่าใหม่ได้ยังไงจะว่าอดีตเราตะโกนได้งไงเป็นของจริงในวงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของเหล่านี้เห็ น, นตัดช สดสดร้อนร้อนทุกขังที่จะังก็สดสดร้นร้อนสุทรไทยอริยะจังก็สดสดร้นร้อนมากนิโรธอริยะสจังก็สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตนี้จึงไม่ เ, เรียกว่ามัดชิมมาเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาด้วยความจริงตนอยู่เสมอไม่มีคำว่าอาดีตอนาคตพิจารณาลงตรงไหนเอาให้จริงให้จังผู้ปฏิบัติอย่าท้อทอยอ่อนแอไม่ใช่ทาง ไม่จะทางให้มีความสุขความจเจริญไม่จะทางแก้กที่เละนอกจากเป็นทางพอกคูณตามที่เละขึ้นมาภายใจิตใจเท่านั้นทํางอกไม่ได้ทําจะงอ๊บขึ้นได้ด้วยด้วยความขายันหมั่นเพียรความหนักก็เอาเบาก็สู้ใช้ด้วยสติปัญญาตามความเพียนไม่ล้นละนี่ทําเกิดขึ้นในตรงนี้ให้ยึดเอาตรงนี้ทุกขนาดไหนก็ตามท่าทุกด้วยวิธีการที่จะแก้กทิ่เละทุกด้วยวิธีที่ทํำจะจะจะเจริญขึ้นพนายในใจอะทุกเถอะ ทุ่ ม, มันลงไปเขาจะทากเอากําไรเขาต้องลงทุนอยู่ๆจะเอากําไรมาจากไหนไม่มีทุนไปซื้อมาก่อนอันนี้ทุนก็คือต้อนทุนก็คือทคคุกความเพียร น, นี่แหละตน้นทุนของทุกทลายฟาดมันลงไปถ้ามันเห็นชัดๆภายจิตเนี่ยกิเลสมันล้างไปจากจิตใจมันเป็นยังไงกิเลสลุ่มล้ออยู่ภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนอยู่แน่นอนตั้งกับตั้งกันหาที่ตรงที่วางไม่ได้ มอบร่ายอยู่กับกิเลส ต, ตลอดเวลามันเป็นยังไงฮ้กิเลสสิ้นซาบปจากษจิตใจแล้วจิตเป็นยังไงทฮะมันได้เห็นซิเขาที่เขาสอนเพื่อเห็นนี่แท้ๆไม่ได้สอนเพื่ออะไรนี่นะเฮ้อเราพูดแล้วก็คันฟันนะเพราะไม่ได้พูดด้วยความร้นเราพูดด้วยความจริงจังจริงๆนี่หน้านี่หน้าอย่างอย่างนี้น่ะเฮอทำไมจึงไม่เห็นไม่รู้กั น, ไ ม, กนไม่ปฏิบัติฮะท่านว่าขยันก็อ่อนแอเสียท่านว่าช้าลายก็โง่เสี ย, สยให้ตั้งสติก็เผือเสียอ่ะ มันลบล้างศาสนาธรรมตลอดเวลาก็เหมือนกับลบล้างตัวเองสำหรัตัวเองตลอดเวลานั่นเองอ้าวเนาพากันตั้งออกตั้งใจนะพาที่มาบวชใหม่ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพุตปฏิบัติถอยเหี่ยวหูฟังหมู่ขื่นครูบาอาจารย์มีความขยันนันเทียนตื่นดึกลุกเช้าทำการทำงานอะไให้เข้มแข็งอย่าอ่อนแอนั่นเป็นนิสัยของธรรมะของโลกเอาหาประมาณไม่ได้ไม่มีขอบมีเศษมีเหตุมีผล หักสาวธรรมเป็นของมีเหตุมีผลให้ภากันตั้งจุดตั้งใจมาพิจารณปฏิบัติชีวิตของเราในเป็นความเป็นน้ำบวชให้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นก า, ารปฏิบัติของเราจึงให้ตีคุณค่าไปตามตามเรื่องหลับปฏิชาการดาเนินภายนอกนั้นมันเหมือนกับกิ่งก้านสาขาต้นลําริราแก้วมันอยู่ที่หลักใจอันนี้สำคัญมาก กระจายไ ม, มีหลักอย่างน้อยไม่ไม่มีความสงบจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่ได้ร้อนมาพอแล้วนะคุณนี่นํามาพูดเอาสิ่งที่เป็นมาแล้วเั่านั้นแหละมาพูดร้อนร้อนมากธรรมดามันก็ร้อนมากยิ่งติดเสื่อมยิ่งร้อนมากผมนะ่ะโอ้โหจริงจริงใคราะความอยากได้ขับเคลื่อนนะ่ะมันคือเค็นปืนร่อนนี่ร้อนมากจริงจิงนะ มันดีอย่างหนึ่งที่มันไม่ข อ, ท อ, เ, อเท่านั้นเองเอาจนได้แต่นั้นมาวันกันใหญ่เลยจดียวเเสร็จถึงใจเจียดแค้นถึงใจก็คือจิตเสื่อมเนี่ยที่ผมนั่งตลอดรุ่งเพราะอันนี้เหละมันทําให้ผมเจียดแคนน้นขึ้นบนเขาเรียกกระพองมันหรือเนี่ยข้างเนะเแล้วกระพองใช่ไหมขึ้นมาแล้วก็วาดกันเลยกันนาขอลงไ เสื่อนต้องตาไปด้วยกัน อ, อยู่ไม่ได้ยังชีวิตอยู่ไม่ได้ว่างั้นอนึ่งเสื่อมก็ต้องไปด้วยกันเลยเนี่ยทําให้คิดถึงเรื่องข้อโคติกัดท่านจเจริญธรร ม, มาบัตของท่านจเจริญเึงหกครั้งเสื่อมไปเึีงหกครั้งว่ามีโกนมา่ะอเราเชื่อที่มันออกมา ในอุทานธนาใจอนี้ว่าเอานะเขานี่นะวันนี้ถ้าลงกินนี่ได้เสื่อมไปอีกแล้วเราต้องตายเท่านั้นเราอยู่ไปไม่ได้ <c oughs> มันเห็นโทษถึงขนาดนั้นดูดิมันจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ตายถ้ามันเสื่อมก็ต้องตายไปด้วยกันเนี่ยมันย้อนไปเชื่อพระโนดีกับที่ท่านพูดไว้ในคำํำลา มีนะมีมีจำหนา่ายทที่ไม่ได้อะไรเลยมันร้อนมันก็ร้อนแต่แบบหนึ่งความที่เคยได้มาแล้วมาเสืม่มนี่เพรคุมค่าความสงบมันเมื่อเทียบกับที่ไม่ไม่มีความสงบแล้วมันไปคนในโลกหรกืเวลามันเสว่มไปทำไมมันจะไม่ร้อนถึงขนาดนั้นม่ยี่ที่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไส้เวลามันได้แล้วมันควาดกันเอย่าง มีเหลือเพืนั่งหามู้อามค่ำได้แต่พความเจ็บแค้นเลโอ้ถ้าว่ามีคนมาทําเราให้เจ็บแค้ น, นอย่าง น, าานั้นนย่างเชิงคาะวาสเน่ยผมฆ่าคนได้จริงๆนะถ้าแบบถึงใจถึงใจเลยมีผีศพเอาให้เรียกหมดผีลายมาถึงให้เราเจ็บใจขนาดนี้ยังไงก็ทนไม่ได้ยมีทางออกทางเดียวคือว่าต้องฆ่าทางอื่นไม่มีทางอันนี้ก็เหมือนกันลาดจะลงเอาตายก็ตายไปคราวนี้หว่ามันไม่เหยียบหัวเรามาถนา น, นั่น ควส่วนต้องจิไม่มีแต่ปืนแต่ไฟเท้าลงมตลอยู่วลาไม่มีอะไรมีความหมายลงนี่เป็นขนานนั้นเองมันได้เพือนมันมเพินเพื่ อ, อคุณงแมันบางน้อยแล้วมาระวังยาให้มันเสื่อมก็ได้อยู่ที่ยังไม่ได้ก็เอาให้ได้มันไม่นอกเหนือไปจากความเพียรต้องรอเอาใส่เงินไปตายก็ตายเถอะบางั้นเลยมันต้องคุ้มลงดิจิตมันต้องเด็ดไม่เด็ดไม่เห็นของเด็ดของจริง เขาไม่เคยได้แล้วได้เดินจนกลมนั่ง ธ, ธรรมดาธรรมดาธรรมดามันจะได้ของดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้นีสายผมอ่ะอมันเป็นนิสัยหยาบอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามั น, มนพูดยากนะมันต้องเอาไว้จนเดินตายแล้มันถึงจะปรากฏขึ้นมาทีไรเป็งนงั้นก็คือแล้วก็มันถึงใจผลก็ถึงใจถ้าเหตุ เอาคีย์ประกันเลยลว่าถึงใจถึงันอย่างที่ว่านั่งสู้กับทุกยุทธนาเนี่ยโอ้โหในเรื่องการทางหมร่างกายเนี่ยผมยังไม่มีที่ไหนเลยเป็นประวัติชีวิตเหมือ น, นหลังจากกิดเสื่อมพอได้ท่าแล้วนั่นนั่นหนะกตงนั่นนะครับผมเป็นที่เป็นปันาที่สุดันฟาด ก, กันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าบรราันานนะัพอได้ที่แล้ว พัด ก, กันมาั้ ง, งนหมดตลอดลุ่มตลอดลุมจ น, นเข้าภาษาก็ า, กาดนได้อารทุกของอาจารย์ทุกทีทุกนั่ทกจอมรับว่าทุกบางวันจะล้มลุกไม่ขึ้นเลยมันตายหมดตั้งแต่าลงไปนู้นมันตายแล้วมันมันเต็มมาตั้งแต่ตอนงคืนหรือนเวลามันมันหายพุกแล้วอัอนี้มันยังตายอยู่นี่เวลาจะลุกก็ลุกขึ้นเลย ลูกมล้มโกงโกมนี่ลูกมันสิ่งนี่ทำไมเป็นอย่างนี้วะเราไม่เคยเป็น hmm. pues ม ak, ハハีแต่มือยันไว้ทําไว้ยันไว้หาอยู่ยังไงก็อยู่งั้นล้มไปแล้วหาตกไปไงออกเข้ามาไม่ได้เธอยเหมือนท่อนไม้ท่อนเตืนนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เคยเป็นหรืมันเป็นมาสักเต็มที่ของมันตั้งแต่ตอนคืนนี้พอตอนถ้าจะลุกมันไม่มีทุกอย่างนั้นหาเงียบปะหาเงี้ยบที่มันตายไปหมดแล้วมันเป็นท่อนไม้ท่อนเตืนสมมติว่าจะ พอแล้วมาตัดขาไปแล้วนั้นมันก็ไม่มีทุกเวทนาเลยมันเป็นท่านว่าต้งเป็นขนาดนั้นมามาจับดูเนี่ยมือไปจับดูขาไปแบบนี้แบบนี้ขาไม่รู้เลยสัมผัสของมือนะแต่มือรู้ว่าขาที่เย็นไปหมดนั่นแล้วท่านว่าตัดตรงนั้นขากับขาดไปเลยมันถึงใจที่มันไม่เคยลืมคืนไหนถ้าลงเด็กฟาดกันขนาดนั้นแล้วได้ท่านจันทรุกคืนนีนะไม่เคยพลาดเลยจริงเป็นไปเพียงว่าชาติกับเรือต่างกันยากกับแล้ว ง่ายต่างกันถ้าวันไหนนีฝนตกคำๆมนวันนั้นไม่ง่ายนะใส่ันทัพภาพภาพยังไม่นานลงได้ลงได้ต้มาถึงทุกเวทนาใหญ่เกิดขึ้นได้ก่อนขอมันถอยังมาเอาอีกลงอีแล้วก็สว่าง <c oughs> วันนั้นลุกไป เ, <c oughs> เหมือนเราไม่ได้นั่งตลอดลุงนะซึ่งสำคัญที่ใจต่างหากนะ ทางวันนมันลำบากลำบนทุกขรมานมากทีนั่นมันบอบช้ำมากร่างกายนั่งนี่เหมือนไฟเผาแล้วเนี่ยคนนั่งฉันอาหาน่ะเลยพับเพียบนั่งนั่งพับเพียบฉันอาหันเวลานัอนเวลาเรายังไม่ต่อสู้มันเนี่ยนั่งฉันอาหารไม่ไปต่อสู้นะก็ต่อสู้กับอาหารแล้วพี่นั่งพับเพียบแล้วผม ก้นนี่แม่เป็นพืนเป็นไฟเหมือนก็มันพองไปหมดก้นนะกระดูกทุกขอ่อนเหมือนมันจะแตกตลางวันก็ดีแต่มันไม่เคยเข็ดแล้วมันเห็นผลมันมันเหนือนี้อยู่แล้วเนี่ยเรื่องความทุกข์ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ฟังที่หมูเมหม่เพื่อนจะมาสอนหมู่เพื่อนผมไม่ได้เคยคิดว่าผมจะมาจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไครทั้งนั้นแหละเพราะนิสยัยเราไม่มีทั้งนั้น นี่จะเอาเอาเรื่องของโดยจะไครับมือ น, นไม่เคยที่จะสนใจไปสอนผู้ใดเลยเวลาปฏิบัติมันก็มุ่งจะอาจจะทําอย่างเดียวถึงี้เวลามันพอลืมหลูลตาได้บ้างมันก็ไม่สนใจที่จะสอนใครเพื่อยู่อยงนี้สบายดีนี่ว่าไงเพราะฉะนั้นเวลาหมูเ่เพ่อนลุ่มไปกระกผมผมจึงขโมยนี้ด้ยอยอยู่คนเดียวมันสบายดีสบายสบายดีเงี้ยไม่มีอะไรมากวนสบายดีสบายดียดยดมันจะเป็น อันนี้มันมากกับมาก ร, รุมเข้ารุมเข้ามันก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นแต่มันไม่ได้เป็นคำนิสัยของเจ้านั่นนะเขาอยู่แปบนั้นอ่ะเพราะเห็นหัวใจแต่ละดวงดวงมีมคุณค่าคิด ถ, ถึงเรื่องเราเสียเสีบค่าอันนี้เสือที่มาเจอพ่อเจอแม่อยู่แล้วกลัวอาจารย์กลัวอาจารย์เราได้วิ่งหาแทบล้มแทตายไปที่ไหนมันก็ไม่เหมาะเจาะในหัวใจมันก็ต้องผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งไปถึงที่เหมาะเจาะแล้วมันต้องุมกันเลเนี่ย มือเ่อนนะแว่หาครูหาอาจารก็คงเป็นอย่างเดียวกันนี้นี่แหละเอามาบวกมาลบคูณหารกันดูแล้วก็ทนอยู่ด้วยเห็นนี่นะเงินที่จะไปห่วงไปลายอะไรเห็นอะไรที่จมาปรากฏก็เป็นห่วงเัยร่างกายก็รู้เป็นชัดๆเห็นทนไม่ไหว้ก็ทิ้งเสียบอกกังวลในความรับผิดชอบอยู่ตรงนี้แหละพลาฮาเวปัญจคันธามันมาตลอดสายนะพลาราเวปัญจคันธามโดยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นอีอย่างหนึ่ง พราวเวปัญจ source, ค eren, <ours introductions, S 1> ันชาด้วยคำรับผิดชอบพายืนพาเดินพายืบพาถ่นพายนพางนอายนพานพนนพายืนพยืนพนายืนพายืนพายืนพยืนพาืนพายายืนพายนพ้ยืนพายืนพายืนพาย่ายืนพายืนยืน่ายืนพายื่พายืนพายืนพายืน่ายืนพายืนพายืนพายืนายืนพานพายืนพาไืนพายืนวายืนอยู่ก็ทันพายงนพานพายืนพายืนพายนพายืนพายายนพายืนพายืนพาืนพาายายายนาายืนพานามยานนพนพานพนนนยน ชาต์ไหนไมันจะเป็นชาต์นั้นมันจะเป็นชาติอื่นได้ไงเห็นพธาตุของมันจะยีดหรือไม่ยืยดมันก็เป็นของมันหนึ่งนั้นตามความจริงขอหมัหลงมันอะไรเหนือผ้าใหม่ตั้งใจภาวนานะฝึกหัดภาวนาพุทโธพุทโธหรือจะกําหนดลมหายใจเข้าออกตามด้วยเข้าพุทออกโธก็ได้ภาวนานะเวลามาบวชให้เข้มแข็งนะอย่าอืดอาดเหนื่อยนายไม่ได้นะเอศาสนาไม่จะฐานที่ พอจะเอาของทิ้งมาทิ้งใส่ทิ้งใส่อะไรไม่ดีมาทิ้งใส่ศาสนาไม่ได้ผลกลบลมให้เป็นเป็นเพี้ยนลึกในชีวิตของเราข่าบวชชีวิตของเราก็มีคุณค่าข้านี้แหละมจะเกิดมาคราวนี้มีคุณค่ามากโดยปกติปฏิบัติธรรมอดทนเอานักบวชต้องมันอดทนพระพุทธเจ้าภาวาอดทนมาแล้วพระสงฆ์สาวกภาวนาอดทนมาแล้วทั้งนั้นเราจะมาอ่อนแอขัดกับ ทางเดินของท่านทางนำเนินของท่านคาสอนของท่านไม่ถูกมาละแค่นี้แหละบบนี่ละ